ขอกราบสวีทพูดรับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบสุงทุกท่านครับ วันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปทุมดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทุกวันจันทร์เป็นการตอบปัญหาธรรมะในรายการสดครับโดยมีพระเดชประคุณท่านพระเทพบิลกวันวันในวิหารเป็นวิยากรตอบปัญหาครับหมายโทรศัพท์ของทางรายการคือ0 2 2ย์สองสองสี่หนึ่งสาข้นก็มารอรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามานะครับ มีสายแรกมารออยู่ครับสวัสดีข้าพเเรกรายการครับอจเลทรท่านผู้ดำเนินรายการนะครับขอกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพบิลกุลนะอยากจะถามคําถามคือว่ากิวอเนี่ยที่เป็นอดีตเด็กวอนถ้เกิดว่าที่เราได้มาแล้วที่ว่าโดนสิบวันเนี่ยจะต้องเป็นนิสสตีจะต้องวิกับเมื่อวิกับแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ตลอดหรือว่าจะต้องอีกสิบวันจะต้องวิกับไปครับหลวงพ่อแทนเนี่ยครับจากบันทึกการก็ตั้งครับ ถ้าม่กับแล้วก็ไปเลยท่านมันก็ใช้ตลอดไปนะนอกจากว่าท่านจะไปเปลี่ยนให้เป็นผ้าคลองท่านก็ถอนมีกลับแล้วอธิษฐานเป็นผ้าคลองครับแต่ถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเขาเราก็ใช้ได้ตลอดชีวิต ท่านชูนแต่ท่ากล่าว่าอดีตจีวอนี่หมายถึงอะไรครับท่าจีวอนเหลือจากพระไตรจีวอจีวอเหลือจากพตรจีวเขาเรียกว่าจีวนอกจากจีวนที่เราต้องอธิษฐานสามผืนเนี่ยครับผมสังกติพรสบงสบงขันนะฮะแล้วก็พรจีวเนี่ยเขาเรียกว่านี่คือไตจีวอันจีวนอื่นนอกจากไตจีวเรียกว่าอดีตเกจีวมันจะเข้าใจง่ายครับผมขอบคุณท่านผูกกับสายที่2มารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนากาครับ ครับสวัสดีครับเ อ, อถามคำถาม น, นะครับเช <c ười S 1> ื่อเลยครับอช่วงช่วงที่ในหวงคลองราดนี่นะครับแก่ในหลวงนะครับครับผมก็จะมีคนมาถือถิ่นแปดบวชชีพรมบวชนิขมะกันหนึ่งเนี้ยนะครับครับครับครับครับผมแล้วบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาร้องเพลงสังรเสริญสระรามีเนี่ยจะเหมาะสมหรืป่าครับครับครับขอข้อที่สองหน่อยครับมีมีมีมีอีกข้อครับมีข้อเดียวครับครับผมกลับรับฟังจากวิทยนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือว่าบทสวดทั้งหลายนั่นเองก็คือเพลงนะฮะบทสวดที่เราสวดธรรมะเช้าธรรมัดเย็นเนี่ยก็คือเพลงอ่ะครับก็เพียงแต่ว่าเราไม่ได้สวดตามทํามนองถ้าเราเอาแขกข้าดนตรีดนตรีแขกเรจะเห็นว่ามันก็ข้าท้อมองหมดอ่ะมงคละสูตรธรรมจักอะไรแต่ก็สวดอย่งนั้นนะเพราะงั้นเพลงสรงเสริญพระบารมีนั้นเป็นเรื่องของธรรมะ ครับในเรื่องการยกย่องเชิดชูบุคคลมันไม่ใช่เพลงเพื่อกระตุ้นการมาราครือเพลงนี่มันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ตลอดแล้วก็ดูเนื้อมันเป็นยังไงเพราะเป็นวิธีการศึกษาอย่างหนึ่งนะสันทลักษ์ทั้งหมดมันมาจากคำพี่พุทธศาสนานะฮะกับบทกรอนทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีต้นแบบมาจากคำพี่พุทธศาสนาทั้งนั้นแหละคอ่าฟอนมันไม่ได้แปลกอะไรคขอบคุณท่านผู้จัดกาแที่สามครับสวัสดีครับแฟนรายการครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ สอบถามได้เลยครับเอ่อผมจะถามว่าผมจะส่งเงินไปทำบุญที่หลวงพ่อจะสร้างศูนย์พุทธศาสนาครับครับผมครับผมครับผมก็ขออนุญาตไปที่วัดะวรนิเวศเลยนะครับผมที่ศูนย์สงเสริมพุทธศาสนาครับพระบาทดีรกใช่ไหมครัครับผมท่านพระประเทศดีรกครับผมดีรกนะฮะครับผมครับผมยังไงเดี๋ยวรับอ่า ที่ขอขอญาติคุยหลังไหม่นะครับท่านอาจารย์ธนพลรออยู่นะครับอ้าวคุยหลังไหมครับผมครับผมครับผมประเทศพิโลครับครับผมครับก็สําหรับแฟรายการนะครับที่ติดต่อมานะครับสําหรับเรื่องการทำบูรพ์สูตรเสภาสนานะครับก็สามารถทําได้ที่วัดบวรนิเวศเลยนะครับที่ศูนย์เสภาสนานะครับท่านาร้กำกับมีหนังสือที่ท่านผู้กำกับเขียนปัจจุบันนี้คือพุทธวิธีในการปฏิบัติศาสนาที่ผมอ่านอยู่แล้วรู้สึกเนื้อหาดีมากเลยครับท่านผู้กำกับ ตรงนี้อ่าข้างในนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องอะไรและท่านควรจะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าก็เป็นเป็นหลักสูตรที่ต้องการสอนเผยแพร่ให้พระธรรมทูตกับนักเผยแผ่ครับผมคือมาไปอบรมพระพุทธในอยู่บ่อยแล้วเราก็ไม่มีเวลาจะพูดได้แร้วเพราะว่าอยามากสามชั่วโมงรเราก็พูดไม่ทันหล้วเรา ะ, ะนั้นเราก็ทําคู่มือให้ท่านไปครับผมแล้วก็ เอาพุทธวิธีทั้งหลายที่พระเจ้าสอนโดยแบบต่างๆนะให้นะมาดู ใ, ใครกับรว บ, บรวมมาเรียบเรียงนะฮะมาชานะ้าก็มารว บ, บรวมเรียบเรียงแต่ว่าใช้ภาษาที่สื่อสารให้มันง่ายหมายความว่าเอาพอถึงอบรมครูก็คือนี้แหละคนัฮะอบรมอาจารย์มหาจาัยที่จะทำหน้าที่การสอนก็คือนี้แหละครับเราเรามาว่าเราติดเราติดสับเชื่มากไป <laughs> ที่จริงวิธีการเนี่ยคล้ายๆกับปาสกัถาบรรยายเทศะกล่าวสัมโมทนาิแกถากลาก่าธรรมกะถามันก็คือการนั่นแหละครับมันก็มีหัวข้อมีการขยายมีการสรุปเหมือนกันอ่าเรียกอุเทศนิเทศปฏินิเทศท่าเทศมันก็มีขึ้นบาลีมีน้โมแล้วแต่ว่าก็ตัดหัวมันเสียเาเขียนชื่อใหม่มันก็กลายเป็นบทความกลายเป็นอะไรเขื่อว่าเราเราเสียเวลารุงรังกันเรื่องเหล่านี้มันเยอะเราไม่พยายามทําความเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรมันคือการพูดครับ พวกก็มีหัวข้อมีประเด็นถ้าปัญญาคุณก็ขยายแล้วก็เรื่องมากไปคุณก็สรุปประเด็นให้เขาจับได้กับนั้นครับนสรุปประเด็นพระพุทธเจ้าเทพเั็นสี่สิบห้าปีสรุปด้วยความไม่ประมาทคันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้สี่สิบห้าปีจะเอาธรรมะมานั่งเรียนมันก็แปดหมื่นสี่พันมาทำมาขันกระตาเลือกแล้วเสร็จแล้วเจ้าก็สรุปอยู่ที่คขอบไม่ประมาทคันเดียวก็จบ คุณอยกคุณยาประมาทสิอะไรก็ได้คุณจะไปนิพพานก็ได้ครับแาะคนที่ไม่ประมาทสมบูรณ์จริงๆมันมีเฉพานะปาคราบ คนเราก็ประมาทมากเนาะอยู่ตอนนั้นครับท่านผูกำกับผมว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับครูอาจารย์ต่างๆนะครับที่ซึ่งผมว่านอกจากเผแพร่ศาสนาแล้วยังสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในเรืก่การการสอนได้ไเลยที่จริงรไม่ใช่ประยุกต์ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนครับมและได้เลยคือเราเราเราเราต้องเข้าใจในเนื้อหามันนะคครรัับบ่เนื้อหามันเรื่องนี้มันคืออะไรครับผมแต่เราจะเห็นว่าประเด็นของเรืเร่องอะไรก็คืออะไรนะอย่างไร เพื่ออะไรครับนะแล้วก็แก่ใครแล้วก็ได้ประโยชน์ยังไงมันก็เป็นวิธีบริหารจัดการนะ<อ>เป็นวิธีในการอธิบายสิ่งเหล่านั้นแหละครนะอย่างอย่างอย่างที่เอามาบอกว่าเอามาสอนปัญญาเอกเนี่ยเอามาให้วิีครห์คําว่าปานาทิปาตาคําเดียวอ่ะมันคือเนื้อหาวิชาอะไรในสายนิติศาสตร์ในสายรัฐศาสตร์ในสายสังคมศาสตร์ในแง่จิตวิทยาในแง่คอนเศร์ตศาสตร์ในแง่ของ ศ, ศึกษาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคําเนี้ย ค <c oughs> ือเคารพสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันน่ะครับคุณจะเรียกอะไรคุณจะเรียกเสรีภาพคุณจะเรียกสวัสดิภาพคุณจะเรียกสมภาพคุณจะเรียกปรารภภาพไม่รู้ว่าคุณอยากฆ่ากันกันแล้วกันแต่คุณฆ่ามันไม่มีอะไรตักภาพเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับท่านครับคือคือคือวนนู้นแต่มัเล่ามันมีชีวิตก็ไม่มีชีวิตเท่านั้นเนี่มันคิดให้มันรุงรังกับตายสิเท่านั้นพูดพูดนารูปนั้นดิครับขอบคุณท่านอู้จัดการครับสายที่สามครับท่านครับสวัสดีค่ะแฟนรายกันครับครับผมจะถามว่า จากข่าวที่เคยแบบที่ับลบกวนผู้ดังๆนี่คืนการัดข้อสค่อยจากข่าวที่ออกมาที่เกี่ยวกับว่าพระสงฆ์นี่ยาิฏิบัติดสิ่งนึงเะี่อข้อข้อสามนี่ยข้อสามนะครับแต่ว่าเขาใช้คำเน่ยได้นม่ควรแบบเป็นเน้นกับพระพระเนี่ยแบบว่าเราทางคณะสงฆ์เนี่ยควรจะมีนกสื่อแจ้งไปได้ไหมครับว่าข้อนึ่ชนใช่ไหมครับ ส่วนแม้ประพฤติถูกต้องเนี่ยควรจะใช้คําว่าอารักีหรือเดียร์ธีได้นหมคะอ๋อครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับในทางสื่อมวลชนนะเพราะว่าฟังแล้วผมจะเน้นค่ะเพราะว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกเน้นว่าเจ้าอาวาดใช่ครับแต่กาฟังแล้วไม่สบายใจนะครับอไม่สบายใจก็บอกว่าอยากให้ทางคณะสงฆ์เนี่ยมีหนังสือแจ้งในทางสื่อว่าจะใช้ทาอะไรก็ต้อง้มันหมักเพราะว่าเราฟังแล้วมันรู้แบบว่า มากเลยคืรับผมแล้ฟังท่านอาจา ร, ร, รย์ร ต, ยตอบทางวิทยุนะครับ<ช>ครับขอบพระคุณมากครับอประโยชน์เหล่านี้ก็ไอทีกันนายกนหนกกันนายอะไรอ่ะสุริยุทธสุริยุทธสาม ส, ส, สีคนเน่ยชอบใช้ครับคือพวกนี้มันวุฒิภาวะมันมันอ่อนมากครับคือคือ ค, ค, ค, คนคนก็ชื่นชมนะฮะได้ระามายังมองมาเห็นว่าเขามีวุฒธธิภาวะที่อ่อนมากครับคือขาดจิตสํานึกก็แรง อโดยไม่นึกนะฮะว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันพูดมันมันมันสร้างปัญหากระทบกระเทือนครับอในกรณีพระที่เป็นข่าวทางพัตลุงอนะฮะสมมติว่าจริงเอ่ะคือเป็นคนโรคจิตอ่ะคนบ้าใช่ครับเราจะเอาอะไรคนบ้าล่ะเออใช่ครับก็คื อ, ค, อคือคนบ้าเนี่ยเขา ย, ยกเว้หมดตรับอันนี้มันอาการทางจิตถ้าให้แพทย์ถามทางแพทย์ทางจิต เ, เวชดูแพทย์เขาจะสงสารนะคร แต่ว่าสื่อสารมวลชนจะถือว่าเป็นอาหารอันโอชะที่ตัวเองจะกระทืบย้ำพระซ้ำศาสนาแล้คุณใช้พระได้ไงแกบวชพระเป็นพระมาตั้งแต่แกเริ่มเริ่มเริ่มครั้งแรกแล้วมันไม่เป็นยังเจ้า ว, วาดไม่ได้เป็นน้ําพระไม่ได้เป็นนั่งอะไรครับแล้วเราก็ไปใช้ไ อ, อาราธีอะไรไม่ได้หรอกมันซ้าเติมเขาครับมันซ้าเติมเขาคื อ, ค, อคือคนเรากับคนอย่างนี้เรามีแต่สงสารเท่านั้นเองใช่ครับคือเราคือเราเราคิดต่างกันไม่ได้หรอก ทีนี้เ อ, อเราเราเราลองสังเกตรเรปัญหาเรื่องเด็กที่อะไรที่เขาถ่ายภาพเดียวมันติดแล้วมันตีกระชากอะไรต่างๆแล้วอ่างลูกมันไม่ใช่มันลูกหลานเราอะครับเด็กมัธยมที่เขามาเผยแพร่ทำอะไรเร า, รเรานะถ้าเราเธอต้องการจะอนุเคราะห์ลูกหลานเราเนี่ยเอาไปให้ผู้ใหญ่เขารู้แล้วก็ช่วยกันคุยเป็นการภายในครับโบราเนี่ยท่านบอกว่ายังมิดมิก็จงปิดไว้ก่อนเถิดอย่าเพิ่งเปิดแล้วเขาเห็นว่าเป็นแผล เพราะมันจะเกิดระบบการเอาอย่างขึ้นแล้วการมองลูกหลานด้วยความรังเกียจด้วยความคลุกครัรงสงสัยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับลูกหลานเราอะ่ะครับถามว่าคุณตั้งแต่เกิดเกิดจนป่านนี้คุณเคยทะเลาะคนอื่นหรือเปล่าคนต่อยคนอื่นหรือเปล่าอืมนุษย์มันก็มีประสบการณ์อย่า ง, งางนั้นทั้งนั้นแหละทำไมไปซ้ําเติมมาทำไมเพราะเราเอห็นว่าทั้งสองข่าวหรือแม้แต่พระอะไรพระลงผีที่ที่บอกลยคือคือเป็นคือบันแสดงถึงความ อ่อนร้งันวุธิภาวะของผู้รับข่าวสารคือคนอย่างนั้นเนะี่ยแล้วเราไปเชื่อว่าขนาดรู้รู้เลขหวยมันก็เกิดเหตุเกิดผลไปครับเพราะถ้าคนคนที่รู้เนี่ยคือญาณถ้าญาณแล้วจะเกิดกรุณาต่อสรรไปชีวิตครับ ใ, ใช่ไหมเมื่อกรุณาต่อสรรไปชีวิตคนเล่นหวยกับเจ้ามือหวยเนี่ยมันกวนแก่การกรุณาด้วยกันอื เราก็อยู่ตรงกลางเราก็เฉยๆเราอุเบกขาตอนนี้ยอุเบกขาเลยเราสอนก็ไม่ได้ก็เลิกเล่นหวยก็ไม่เลิกไอเลิกขายหวยก็ไม่ขายเราก็ปล่อยเข้าไปเป็นไปตามกรรมกันแล้วกันเห็นนะมคือคือถ้าวิธีมองที่เราเข้าใจโลกเนี่ยมาว่าสังคมเราอ่อนด้อยในการเข้าใจโลกแม้จะไม่เข้าใจตัวเองครับามาๆยังยังนั่งนักอยู่ตะกีดนี่ว่าสื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอะไรอะไรล้วอ้างว่าอฐานอันดอนที่สี่อะไรอะไรนี่จริงอะมันเป็นอาชีพ อาชีพที่บังคับผู้บริโภคว่าคุณต้องบริโภคอะคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยเป็นอาชีพเดียวนะฮะที่ที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองมาหนังสือพิมพ์เนี่ยมันสมมติเป็นฉบัดละสิบบาทเนี่ยเราขอต่อรองแปดบาทได้ไหมมันไม่ได้แตนี่ยอย่างอื่นต่อรองได้หมดเลยนั น, น ะ, ะคือสังคมไปยอมจํานวนต่อคนเหล่านี้มาเกิดไปมันเป็นอาชีพชนิดหนึ่งเท่นั้นเองครับง แล้วก็ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนักหะก็คือคนคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีอาชีพอย่างหนึ่งมีความโลภโกรธหลงธรรมดาธรรมดาเนี่ยวิยาไปไปให้ความสงคัญเขามากเกินไปครับนนะครับขอบคุณท่านผู้บิจสายที่สี่ครับสวัสดีทุกสัปดาห์กันครับครับผมเกอถางเนี ถ้าเาไปไหว้พระที่โบสถ์ที่วัดนี่นะคะที่มพระพุทธรูปไม่ทราบว่าเราจะได้บุญไหะอ๋อในโบสถ์ที่ไม่มีพระพุทธรูปจะได้บุญหรือไม่ใช่ไหมครับมีพรบพทธรูกนะคะครับทิดทองอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อครับผมครับแล้วกคนะครับขอบคุณมากครับ คือคือมันก็ได้บุญนะแต่เจตนานะะเราจะเห็นว่าบุญเมื่อเกิดทางกายทางวาจาทางใจเราก็พร้อมแต่ถ้าจะปิดทองในขออย่างอย่าปิดพระพักก็แล้วกันนะทําให้พระพุทธรูปเสียหายมากเพราะงั้นถ้าปิดปิดส่วนอื่นแล้วที่จริงก็ควรจะปิดที่ทุกกชีที่ฐานอย่าปิดที่องค์นะฮะครับปิดปิดที่องคจะทําให้พระพุทธรูปเสียหายแบบเปื้อน อจึงจึงเราเรานึกดูก็แล้วกันนะฮะถมาเมื่มอ่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วเราไปนั่งปิดทององบพระองค์นี่มันได้หรือเราะหรือพระอาจารย์เราแล้วเราก็ไปปิดทองอย่างเงี้ยป<ช>ิดที่อื่นสิป<ช>ิด<ช>ที่อื่ น, น<ช>แต่ว่าสะลงมาได้บุญนั่นแหละนะบุญบุญก็คือความสุขนะเราก็จะชำระล้างความเ ค, ครียดแคลงสงสัยความโกรธความทิสเสียอะไรลงไปในขณะนั้นเราก็ทําด้วยความเคารพเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มันก็เป็นบุญอยู่แล้วนะฮะ ท่านคุณ <handled> จักรครับอย่างประชาชนที่เรียลัยเงินหรือว่าออกเงินสร้างพระพุทธรูปให้คนได้กราบบูชานี่อันนี้ส่งผลบุญตรงนี้ได้ไงบ้างก็มันก็แบบสร้างเจดีย์แบบสร้างเจดีย์แะสร้าเจดีย์เพราะพระพุทธรูปก็เป็นอุเทศิกะเจดีย์แบบปุงเจดีย์การสร้างเจดีย์บางทีโคกบรรจุพระธาตุมันคือก็บรรจุพระธรรมนี้ก็เป็นอุเทศกะเจดีย์ก็คือเจดีย์ประเภทหนึ่งในเจดีย์ทั้งสี่ประเภทแล้วก็เหมือนกันนฮะครับเหมือนกัน ครับขอบคุณครับท่านผู้จาคครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับในรายการครับครับครับสวัสดีครับเอผมผมจะขอแสดงความคิดเห็นและขอขทราบความเห็นจากท่านเจ้าคุณนะฮะว่าคือจากรณีที่มีเหตุการณ์อพระอประพฤติทิวาใบหวยเรื่องการประนันอะไรต่างๆนี่ผมจะเปรียบเทียบกับเรื่องการตีความที่เป็นปัญหาอยู่เรื่องการตีความนิพพานเป็นอัตตานะฮะซึ่งสองเหตุการณ์เนี่ยผมเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ย เหตุการนึงพระไม่ไวพ้พระออะไรสถาบานานคคันนันพระอะไรเนี่ยผมว่าเรื่องเล็กฮะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องการตีความานิพพานไมอัตตาซึี่กำลังสอนกันอยู่อย่างอย่างอย่างเอาจริงวอาจังครับทิศ ท, ที่เขาชื่อกันอย่างนี้<ช><พ>ะฮ<พ>ะถ้าเ ป, นเ ป, น, เปนเป็นเป็นเรื่องการก่ำลายโครงสร้างเป็นรูาสนาสราบันศาสนาอย่างอใหา่เลยว่าไงแต่ว่า เขาก็ไมีได้ดำเนินการอะไรกันนะผูุ้มเคยไปนั่งฟังนะฮะที่ที่เเทศกันแถวแถราบุรีแถวแถวอนคได้ครับผู้ใหญ่ก็นั่งฟังอยู่ะว่าฉันเทศอะไรเนี่ยนั่งฟังภาสายการปกรอเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ปล่อยเทียกันไปอย่างนี้นะครับขออนุญาตเป็ประเด็นครับขออนุญาตป็ประเด็นนิดตฟังแคนที่คุณอาจารย์ต่อจากพิธยุเลยครับผมผมผมผมว่าผมตเทศนี้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องตีความนิพพานต่ต้องต้องต้องดเนินการตรงมันมันเป็นที่อุตส่าหแล้วว่าผิดนะฮอิท ควรจะต้องเมือการยังนอย่างใดอย่างจริงจังนี่ขอบคุณมากเลยนะครับขาาความเตาอบคุคครับเป็นอยบกแดงคอย่างนี้นะครับก็ความเห็นของโยมมันถูกต้องที่สุดในโลกนะเนี่ยเราจะเห็นว่าพระใบ้หวยอะไรมันเรื่องปัจจจักะชุนมันมันเหมือนกับไอ้มดบันไตร่างกายมันคันเนี่ยครับ แต่ว่าการนิพพานเป็นอัตตานี่มันทำลายจากส่วนยอดของพระพุทธศาสนาลงมาเลยหมายความพระพุทธศาสนาจะไล่ความหมายทันทีเลยเมื่อเราเชื่อว่านิพพานเป็นอัตตาก็คือเป็นเป็นเทวนิยมไปโดยธรรมชาติกลายเป็นศาสนาพราหมณ์ไปโดยธรรมชาติเลยนะแล้วยังมีอายตนานิพพานมีแดนนิพพานแล้วพราหมณ์ชัดๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะฮะ พรวกนี้มันมันเป็นพวกมหมายานที่จริงมันมาจากพวกสุขาว ด, ดีพุทธเกษตรมีพระอาทิพุทธเมียมิตราพระพุทธอะไรแต่อะไรต่ต่ำก็แนวนั้นตั้งนั้นอ่ะทีนี้คนมันชอบครับคนมันชอบแล้วก็พระผู้ใหญ่เนี่ยที่จริงถ้าพูดโดยไม่เกรงใจก็คือเขาเลี้ยงไว้ฮะเขาเลี้ยงเขานิมนต์ทีมถวายเยอะเลยเลยเลยเลยไม่กล้าแตะนั่งฟังเฉยเพราะเสร็จแล้วก็ถวายเยอะคราะฉะนั้นแก้ไม่ได้มาเตือนตั้งตั้งแต่ก่อนสมเด็จสังกราชเป็นเป็นสังกราช ามาบอกต่อไปในเรื่องนี้จะเป็นอันตรายครับผมแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องมือเ้าหมดเลยครับแล้วเขาก็ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกแล้วเวละเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ น, นิกายอีกนิกายหนึ่งครับผมอ่ามาเคยเตือนตือนเขาโดยตรงเลยเตือนทัตตะชีวเข้ามาอธิคติอามาตือนก็าสองครั้งก็มากมับเมตตานัตโถนี่ม า, าบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาแสดงว่าคุณมีปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาแสดงว่าคุณไม่มีปัญหาเพราะการจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยู่ที่การกระทำของคุณไม่ได้อยู่ที่การกระทำคนอื่นแล้วเวลานี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพูดยากเพราะว่าขนาดว่าสมเดษษษษรร็จพระสังฆราชมีลายราสลงมาอย่างเงียบเชียนะคอันนี้ก็พูดโดยไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับคือคือ <c oughs> ก็เกรงใจกันมานานแล้วเนี่ยก็เลยเกรงใจบ้างได้แล้วนะฝันเจรจากับคุณท่านผู้ใทญ่ครับสวัสดีครับสวักดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ขอขอบนรัตตการท่า น, นทุกคุณอาจารย์ค่ะมีรายงานสภาพของงานบวชงานหนึ่งที่เห็นน่ย น, นะคะตอนนี้เนี่ยมีกลุบุตรเตรียมตัวอุปสมบทเป็นเป็นพระสงฆ์เยอะเพราะว่ากำลังจะเข้าพรรษาแต่ว่าภาพที่หนูเห็นมาเมื่อวานนี้เนี่ยเซนกัน เรียนเรียพ่อหน้ารอบโบสถ์สามรอบแล้วก็มีกลุ่มคนที่รําหน้าหน้าค่ะเขาก็รินเหล้าไปด้วยเขาก็รําไปด้วยแล้วก็อยู่รอบโบสถ์ทั้งสามรอบค่ะให้ขา้าพิการน้มันสะการเรียนท่านเจ้ า, าจว่าท่านก็นั่งอยู่ในโบสถ์นะคะเหมือนกับว่าท่านด้จะพูดยากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแบบนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่สองเออหนูฝากบารมีท่านเพราะหนูเชื่อมั่นว่าท่านเจ้าุณอาจารย์คงจะทําได้ว่าทําอย่างไรให้งานนั้นเป็นงานสุดท้ายที่หนูจะได้เห็น ข้อที่สองมีสำมรับครูนี้เองไอทีวีออกอากาศว่ามีคลิปวิดีโอเป็นการสนทนาของครูกับนักเรียนครูครูต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเอลีอออาลันเพื่อที่จะแลกกับคะแนนค่ะแล้ น, นี่เป็นการเกิดขึ้นจริงๆในมรดการศักดิ์ครับผมอขอบคุณมากครับประเด็นแรกนะคือนี่คือเงื่อนไขที่วัดเลยเขาหนักใจสุดๆเลยครับแก้กันจังเลยแก้กันไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต่างจังหวัดครับ การที่เอาคนเมามาแบกเจ้านาคแล้วก็ตกลงมาคอหักก็มีมัน <c oughs> มันมันพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคนเหล่า น, นี้นะทำยังไงก็ไม่ได้แล้วก็พอวัดนี้ไม่ให้บวชแกก็ไปบวชที่วัดอื่นครับางที่ก็ยกพวกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่สมภารโอ้มันมันมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะทางบ้านเมืองเนี่ยต้องร่วมมือกันครับถ้าทางบ้านเมืองไม่ช่วยแล้วคณะสงฆ์ทำอะไรไม่ได้จริงๆ ท่นานเจ้าวาดนั้นเป็นคนที่น่าสงสารสุดๆเลยแหละรับทุกเรื่องเลยอะอรับเละเลยคือถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับคือคือกลมาตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมาเป็นคือคือเป็นเป็นคนที่เขารู้จักกันแถวนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็บวชเราก็เป็นครูบาอาจารย์คนเพราะาเราห้ามได้เราเรียกมาคุยก่อนได้แต่เมื่อเราไม่อยู่เขาก็ถามอ่ะใช่ไหมมันก็มีคนบางคนที่ที่ที่เขาศรัทธาแล้วเขาเชื่อครับ เดี๋ยวเราก็ก็เชื่อเป็นเดีประดาวะ่ะตอนหน้าเราพอกลับไปบ้านแกก็ฉลองต่อ <Okay. S 2> แต่ว่าคือคือเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เราอมันมันเป็นปัญหาที่หมักหมมในสังคมมาทีนี้ถามว่าคณะสงฆ์เนี่ยแก้ไขไม่แก้ไขอยู่เยอะแล้วแต่แก้ไม่ได้ okay. เพราะว่าแกเดินขบวนบางทีจะาวาดขัดคอแกก็เดินขบวนแกกล่าวหาไปยุ่งกับผู้หญิงแล้วแต่แกไล่เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ง่ายนะฮะเป็นเรื่งพานต่างจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยไปกัดคอชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยแกม็อบแกสร้างม็อบแม้แต่ไปครอบครองป่ามากๆนี่บางทีมันขับไล่เ จ, จ้าวาดมันตัดไม้ครับมั น, ม, นมันคือบ้านเมืองมันไร้คือแปรไปแล้วเลยเนี่ยแก้ไขยากเลยรัฐบาลก็งอแง่ไม่รู้จะไปไหนตอเนี้อย่างอีกแต่นานี่จะเลือกตั้งไหนโอ้ปัญหามันเยอะมากครับ ทีนี้ในการมีครูเนี่ยมาฟังเหมือนกันตะกี้เนี่ยมันก็สลดมากแต่ว่าเก็ยังนึกนะฮะว่าคณะสงฆ์ทางราชการเองเนี่ยควรจะสืบสวนให้ชัดเพราะว่าการใช้เพียงเสียงคุยเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นแผนพินาศวงการศาสนาก็ได้คร<ช>ับนะพ<ช>ินาศกรรมอะ<ช>่ะวงการศาสนามันจะเกิดวิกฤตเราจะเห็นว่าเวลานี้มันจะเล่นที่ครูกับพระใครับ นี่คือมีหน้าศ ก, การรมทางสังคมอย่างหนึ่งครับเพราะทําลายจุดยึดเดียร์ทางสังคมเนี่ยเมื่อเด็กไม่นับถือครูพุทธเจ้าพุทธไม่นับถือพระมายความมันยังไงอสังคมจะเป็นยังไงจะหมดเหละไม่มีที่พึ่งเมื่อความ <c oughs> ะะว่าถ้าโหรก็บอกพระพิห <c oughs> ัสเป็นโทษแก่พระพระพระฤหัสอะไรแต่ไรนี่จะว่ากันไป <c oughs> แต่เราจะลืมมาตรงนี้อมาว่าต้องให้ชัดเจนต้องสืบครับ เพราะว่าเสียงตรงนี้ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเธอเป็นครูจริงหรือเปล่าแม้แต่ถอดมาจากอะไรเ้าเรียกอะไรไม่รู้ที่จริงอามาก็ดูตะกี้เนี่ยแต่ว่ า, ามายังมองอามาเป็นเป็นคนที่มันศึกษามาเยอะนะคือ <c oughs> คือมันหลอกยากมากนะคือ <c oughs> อันนี้มันมันเป็นแผนวินาศกรรมอย่างหนึ่งต่ <c oughs> อสังคมไทย เราจะเห็นว่าพอกิจการมเหตุการณ์ทางภาคใต้เกิดเนี่ยมันจะมีองค์กรต่างประเทศมาเรียกร้องให้รบสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ชน ท, ท, ทั้งท้านที่ชาวพุทธไม่ได้ไปฆ่าใครเลยแต่ชาวพุทธยอมเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไปนึกว่าใครมีเสรีภาพในการฆ่ามนุษย์บ้างเห็นไหมท่านเปรมกล้า พ, าพูดมาพูดมาตั้งนานแล้วที่ให้ใชาา้ภาษาบาลายูเป็นภาษาราชการที่อะไรก็อส อ, อะไรก็เสนอเนี่ยใช่ครับแล้วพูดกันไปได้ไง ใช่ครับก็คือยกดินแดนให้ต่างต่างประเทศไปคือคือมันมันถ้าเราอยู่ด้วยความจำนนต่อความไม่ปกติภายในสังคมเนี่ยล้ายอมสยบไปโบดกลัวไปหมดเนี่ยมันไม่ได้ในสังคมที่อยู่เป็นคนเกิดมาแล้วกลัวคนไม่ได้อะไรที่เป็นความถูกความผิดต้องมีความชัดเจนล้วก็ต้องเลิกกลัวได้แล้วนะทีนี้อย่างแนวแนวเนี้ยเอามาว่าทางราชการอยู่เฉยไม่ได้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในตารงต่างนี่ต้องสั่งสืบสวนทันทีแล้วก็หาต้นต่อให้ได้เพราะระบบของแอร์แดคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเขาามีการควบคุมอยู่รู้ก็หาได้ต้องหาตัวมาให้ได้ครับแล้วก็มีอะไรอิงๆที่เขาพูดเรื่องอาจารย์ธรรมิตินาพลคนหนึ่งอะไรที่นั่นอะก็อยู่บ้านยังไง่ะเนี่ยครับเพื่อมายังสงสัยว่ากลัวกลัวกลัวอะไรกับคนหล่อนเนี่ยเรียกอิงๆมาถามที่แล้วมาสู้กันเลยใช่กรับเป็นครับ แล้วเอาไว้ทําอะไรอะ่ะครับทําไมกลัวกันนักหนาละ่ะครับก็พวกคุณมันมีอคติกันเองเนี่นะครับแล้วมามีหน้ามาบริหารบ้านเมืองมันไม่ได้หรอกคือ บ, บริหารด้วยความกลัวไม่ได้เรา แ, แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองมันได้พระเจ้าตากสินถ้านไม่กลัวท่านจึงแก้ปัญหาบ้านเมืองได้พระเดชวรมันไม่กลัวเห็นหม พ, ยยพระพระเจ้าตากจับพม่าใส่กรงให้ลากให้เด็กลากเล่นเลยเลยให้ดูมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกคอันนี้มันมันมันเป็นปัญหาปัญหาที่ที่ ค่อนข่านแก่ไข่ยากถ้เรายอมจมูดไปหมดเวลานี้ครับขอบคุณท่านผู้จัดกับสายที่เจ็ครับผมสวัสดีครับรายการครับครับผมาเป็นคําถามตอนนื่องจากคําถามที่สองนะครับครับครับผมที่ถามว่าบทได้ขมะ้องเทสารเสดได้หรือเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมครับผมคิดว่าลองได้นะครับทีนี้ถ้าพิสูจจะร่วมร้องด้วยได้หรือเปล่า หรือว่าควรปฏิบัติอย่างไรครับแล้วก็ขันานที่สองนะครับยาคูนี่พระิสุทธังตอนคือได้หรือเปล่าครับครับขอบคุณมากครับเออคือพระนี่ไปร้องไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไปแสดงความเคารพต่อคือหัสครับพระอยู่ในฐานะที่ไปให้ให้ความเคารพได้เฉพาะในพระสูงครับนะครับนะแม้พระเจ้านดินถ้าไปถวายความเคารพไม่ได้ ยาคูครับอาจารย์ยาคูเนี่ยมามันมันในแง่จริงๆเนี่ยมันมันอยู่ในประเภทที่เป็นอาหารเป็นอาหารแต่เรายังไม่ดูส่วนผสม<ช>ครับเือมาเองยังยังไม่ได้ศึกษาเกอถ้าเขามีคนถวายตอนเช้าเราก็ฉันเนี่ะตอนตอนเย็นเราก็ไม่ฉันแต่เราก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรแต่ก<ช>็ อ, อยากจะดูส่วนผสมเหมือนกันเข<ช><ช>้าใจว่าอยู่ประเภทอาหารนะคร<ช>ับต้องดูส่วนผสมเขา ก็ว่าในอากาลิกกมีอยู่ครับแต่อมาเองยังไม่เคยดูสดผสมแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยปีๆบางทีเราก็เจอจากอันนึงกรอดหนึ่งเราสวดมากก็เจอตอนเพลน่ะเลยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็อยู่ในประเภทอาหารนะฮะคือคือคณะสงฆ์น่าจะสรวจสอบในเรื่องแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไอ้พวกเครื่องดื่มแบบเนี้ยก็ฉันกันไปเหลืงเจิงเหลือแมวหายไปแล้วต้องแก้ไขนะฮะคณะสงฆ์ต้องตื่นตัวบ้าง ครับผมขอคุณคับตจากสายที่แปดครับผมสวัสดีครับายการครับอเชตอนที่เป็นราการและขอขับเงืนขันแนคุณกับระอเขียนกับผู้จัดศึกษาหลายภากัรบันทึกการที่มาบวชแล้วก็มาศึกษาไปแล้วก็กลับมาจะต้องสอบใหม่หรือไงทั้งกันแหลกทุกคำในบาหลีโอมาถึงว่าหลังจากที่ศึกแล้วมบวชเข้ามาใหม่นี่จะต้องศึกษาใหม่หรือไม่ใช่มครับ โอ้ครับท่านครับครับแล้วข้อข้อที่สองครับท่านครับประเดนสองถ้าที่อภิฐานกันรรษาหลังจะมีโอกาสหรือตามพระวินัยจะได้ระเวนอนุโมทนากระินได้ทํา่วมกันนั้นได้หรือไม่โอจําพรรษาหลังนะครับจะอนุโมทนากระินได้หรือไม่ใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วอันนีมาสการได้ฟังทางวิทยุเลยนะครับ ประหลับกับรัออศกรับตั้งครับงานที่ศึกษาของพรครับครับอ๋อไอ้ น, นี่มันที่จริงเป็นเป็นข้าหน้าสง์ไปรอนสิทธิ์เขานะคือหมายความมาเ้าสอบได้แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปยกเลิกเขาละ่ะเออไอันนี้ไม่ได้อ่ะคุณไม่มีสิทธิ์อะไรคุณมีหน้าที่จัดการศึกษาเ <choking> มื่อเ้าสอบผ่านคือเ้าสอบผ่านตลอดชีวิตเขาครับคุณมีสิทธิ์อะไรไปไปยกเลิกเขาครับอันเนี้ยก็ก็ก็ น่าจะถามตัวเองทั้งนักทำตีทั้งนักทำโทบาลีอะไรทั้งหมดนะครับมันไม่มีการขาดหรอกขาดจากพระแต่ไม่ได้ขาดจากตัวความรู้ความรู้มันขาดไปไหนอะก็ยังอยู่่ก็ยังท่องได้อยู่ก็ออยังสวดได้อยู่ครับไอ้ น, นี้อันนี้คือคือคื อ, คอถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บุกพร่องเอามาเคยถามพระองค์หนึ่งท่านเป็นประครูแล้วก็รู้สึกเปลี่ยนหกประโยคออตอนบวชมาเนี่ยเขาก็เรียกหลวงตาเอมาเอ๊ะมาถามไอ้ทําไมเรียกหลวงตาไม่ก็ท่านเป็นมหาเนี่ย เขบอกเดือนนี้ไม่ได้เขามีกฎหม่ไอ้กฎหมา่อย่างนี้เป็นกฎที่ไม่เป็นธรรมใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่มีอํานาจไม่มีที่ตั้งแห่งอำนาจไม่กองเองก็ต้องทบทวนตัวเองครับครับอะไรอีกข้อที่สองอ่า อ, อธิษฐานจรปสาล อ, อ๋อไม่ได้อะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> คือวันออกพรรษาหลังเนี่ยมันเป็นหมดหมดลูกระถินพอดคีครับครับสมมติว่าเขาเขาเขาจะทอดเขจะทอดกระถินเนี่ย มันก็ทอดไม่ได้เลยทอดไม่ได้เพราะท่านไปออกไปออกพรรษาตอนข้าอ่ะเห่นไหมก็ทอดกระถินตอนกลางวันเนี่ยแต่ท่านจะไม่ออกกระถินเลยมันร่วมอนุโมทนามันร่วมร่วมร่วมได้แต่ไม่ได้อานิสงหาร่วมไม่ได้แปลกเราใครไปนั่งร่วมก็ได้พราะวัดอื่นไปนั่งร่วมก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้อานิสง์กระถินเพราะว่าวันวันวันหมดอายุกระถินเนี่ยหมดก่อนที่ท่านจะออกพรรษาครับครับผมครับ ศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับสอบถามปัญหาทามาเข้ามาได้นะครับครับผมสายที่เก้าครับผมสวัสดีกาแฟรายการครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตั้งใจจะโทรมาถามตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วแต่มันโทรไม่ติดค่ะพอดีอาทิตย์นี้ติดกลับกลับออกไปครับขอเรียนถามเลยนะคะครับผมเมื่อวันที่สิบแปดวันนัดที่ที่แล้วเราผุ่นช่วงไปไจังหวัดร้อยเอ็ดไปบวช เป่นชายของเครื่อนพอดีปองที่เขาแหย่หน้าขูดเขาก็ได้ใช้เดินแหย่รอบโบดแต่เขาใช้รถปิ๊กนัปค่ะโยนเว็นเป็นรอบโบดสามรอบแล้วก็สเลงเพชเนี่ยเยนหน้าลงเสือไล่หน้าขหูดเลยตึ้ตกใจเพราะว่าปกยนีที่พีกใครเห็นมนกรงเทพเนี่ยเขาจะต้องบรรทาเสียมาหน้าโบดก่อนแต่กอบึ้นทำเขาล่หน้าขบดครับ ข้อใจตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้อที่สองมาเมื่อวานวันอาทิตย์คก็ไปโบสถ์หน้าคลื่นลูกชายที่อุทิศสมบัติค่ะครับไปบวชที่วัดอ่าวัดปากหังอินเลี้ยงใหญ่โตแต่ภาพที่มองแล้วเนี่ยคือเคยเคยฟังเขาพูดมาว่าเวลาหน้าบวชคนช้าออกมาจากโบสถแล้วห้ามห้ามใครเนี่ยเอาเงินใส่ยาเพื่อฆ่าหนักโดยสุดออกจากโบสถ์แล้ว เออสิบเอ็อาบัตตั้งแต่ตอนนั้นเลย อหมายถึงว่าตอนออกจากโบนี่ห้ามห้ามเอาเงินใส่ย่ามใช่ไหมครับค่ ะ, คะเคยได้อย่งางนั้นแต่วันวันนู้นไเห็นใส่กันเทียบเลยค่ะ <laughs> เลยมันค้่องใจนะค่ะเดี๋ยวจมถามหลวงพ่อครับแต่รายการก็ไปบวชหลายจังหวัดนะครับตั้งแต่ร้อยเห็ดยันนครปฐมเลยนะครับไปร0อเอ็ดันก็อยู่สิเลยค่ะร้อยเอ็ดมีของอำเภออำเภอนอนสมัยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับมันมันเป็นประเพณีท้องถิ่นนะโยมคือคือการวันทาเสมาอะไร อะไรที่จริงมันไม่จำเป็นอ่ะเขาไปกราบคือวันท้าเด้๋ยวมาก็กราบพระในโบสถ์นั่นแหละก็ไปกราบข้างในคือยังวัดวรวันห้ามแห่เลยไม่มีการแห่หน้าก็เดินเข้าไปเลยครับเดินเดินเข้าไปโบสถ์แล้วไปกราบพระในโบสถ์แล้วก็เสร็จแล้วก็กราบอุปชาก็ดําเนินตามขั้นตอนบทวัดวรวันง่ายมากครับไม่มีพิธีรีต้องอะไรเลยแต่ก็บวชเยอะเหลือเกินนะฮะวันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สิบหกมาเพิ่งประสมนิเทศมัชาเนี่ยก็กว่าจะข้าบรรษาก็ประมาณสิบหกหรือสิบเจ็ด แต่น่าจะน่าจะจบชุดชุดนี้เพราะมันใกล้เข้าเข้าวันสารแล้ว <Okay. S 1> ทีนี้ในในกรณีที่นคนปรปฐมเนี่ย <Okay. S 1> มันเป็นประเพณีท้องถิ่นทั้งภาคกลางนะฮะเราจะเห็นว่าประเพณีท้องถิ่นในแนวเนี้ยที่จริงอันตรายแต่ว่าเราพูดอะไรกับเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพระส่วนหนึ่งเนี่ยนิยมเอาอย่างนั้น <Okay. S 1> นิยมรับบาดรับจับสตียงจับใส่ย่ามจ่ายสตียงเองนับเอง เพราะงั้นที่จริงก็มันก็ผิดกันมาเป็นแถวอะ่ะแต่ตอีนี้พระใหม่นี่ท่านไม่รู้เรื่าเหมอนอะไรไม่ประสีภาษาหรอกแต่เมโยมก็ใส่แกก็ไม่รู้เรื่องไงแกก็ใส่แต่ว่าที่วัดได้ไม่ได้อ่กกคือคือที่จริงไม่ใช่จากตรงนั้นพอเสร็จพอเสร็จเป็นสา ม, เมัเดนก็ไม่ได้แล้วครับะเสร็จเป็นสา ม, เมัเดนก็ไม่ได้แล้วเพราะงั้นอาการเอาสตางไปใส่อย่างนั้นมันก็สตางนั้นถือว่าเป็นนิสกีต้องละครับ จึงแสดงอบทได้ <คะ S 2> แต่ว่ากระแสสังคมท้องจินเนี่ยตรงตัวนี้ค่อนข้างพูดยากแล้วกันนะฮ<ค>ะแถวภาคกลางในแนวเลี้ยงดูปิดถนนคล่นถนนอะไรนี่มันมันนเยอะเราจะเห็นว่าจังหวัดตรงนี้ 78, เจ็แปดจังหวัดอาจารย์สังเกตนะฮะช่วนาตาปีมีโปสเตอร์โฆษณาฝังลูกนิมิตมีงานนั้นตลอดไอ้มามาอยู่กรุงเทพสี่สิบกว่าปีเห็นตลอดชีวิตๆๆเลย เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีเจ้าพระสนนี้นะก็ก็เป็นเรื่องท้องถิ่นเขานะโยมก็ทาใจสบ า, สบายสบายก็เรื่องของเขาเข้าไปแล้วมีความเชื่อผมว่าความเชื่อไ ผ, ผิดจะคาคุณใจครับ ว่ามีคนมาบอกว่าถ้าเราเอาเงินทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากโบสถมาใหม่ๆนี่ถือว่าพระยังบริสุทธิ์อยู่แต่บุญกับพระที่บวชมานานแล้วนี่ถือว่าเป็นความเชื่ออะไรกับนบ้างเท่านคะเออเง่เชื่อแปลกแปล ก, แปลกนะท่านคะที่จะ<ต>ว่าที่บวช น, นานน่าจะมีมันมันเชื่อแบบปลกปุกเสกไงครับท่านครับเห็นไหมเชื่อปลุกเสกคล้ายกับพระเพึงบวชเนี่ยปลุกเสกใหม่ๆที่จริงเขาไม่ได้เสกหรอฮะ นะเป็นกรรมวิธีในการวรนประชาผสมบตอะไ้นั่นเป็นเกี่ยวกับพระปกเสกที่แบบเสกที่แนครับเพราะฉะนั้นสังคมเราที่ยังต้องคุยกันเยอะครับแต่เราไม่มีโอกาสได้คุยอ่ะไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยอามาว่าเนี่ยที่จริงถ้าคุยเราจะเข้าใจง่ายครับแต่ว่าวงอย่าให้ใหญ่ครับแล้วโยงข้อใจเลยซักมาเลยคุยกันให้ชัดแล้วโยงตัวการหลักฐานก็จะบอกหลักฐานให้แต่ต้องไปค้นเองครับ ทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราเคลียร์พื้นที่กันอย่างนี้ยทีนี้อย่าลืมว่าอพระเราก็อย่างที่ว่าเนี่ยฮะอย่างที่ว่าเรื่องเรื่องเรองร อ, งอญญาตนานันิพานคือมันพอได้เงินแล้วมันพูดไม่ออกอ่ะเงียบเลยพอเงินมาอะไรอย่างอีกมันยอมจำนวนหมดเลยครับ <c oughs> เองครับเห็นเรื่องสังคมที่อ่อนแอน ะ, ะับสังคมที่ยอมจำนวนกัรเงินเนี่ยมาอย่างคุยกับเด็กเมื่ก่อนเนี่ยเรื่องบุรีตอนเนี้ยลูกคุณเนี่ยลูกด็อกเตอร์อะไรเนี่ย น้องท่านอธิกานะรเนี <laughs> ่ย<บ>ก็คุยเขาว่าพ่อก็นั่งฟังอยู่เลยโบบุรีเนี่ยมันเป็นกระดาษเนาะมันเป็นเป็นผูชชนิดหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงั้าเหนืยแล้วก็ผ่านกระบวนการมาแล้วบรรจุเป็นซองแล้วก็ใส่ในโซมมาอยู่ที่รา น, น <laughs> ุถ้าเราไม่ไปซื้อมันก็มันก็อยู่ขึ้นมาอย่างนั้นแหละ เราถ้าเราซื้อมาเราไม่เปิดซองมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ是是เราเปิดซองแล้วถ้าเราไม่ดึงมวนออกมาก็มันอยู่อย่างงั้นแหละครับดึงมวนออกมาแล้วถ้าเราไม่คาบคาบแล้วเราอ้าปากมันก็หล่นแล้วเอ่ <laughs> ทีนี้เราสมมติเราจุดไฟถ้าเราไม่ดูดมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ดูดแล้วเราพ่นเดี๋ยวก็ทําทอะไรไมมเรายอมมันทําไมเศษพืชชนิดหนึไงไง่งอะพืชกร ะ, ะดาษอะทำไมกลัวบุหรี่กันงอกๆๆงอก ง, งอกงันเ <laughs> ล่าเหมือนกันนั่นแหละขนาดสงสาเนี่ยขนาดสงสานเนี่บ ครับขอบคุณท่านผู้ชสายที่สิบครับสวัสดีข้าวเฟริการครับนรมาสการประเดศพุกลงพ่ออยากจะถามปัญหาพระเทวทัพือถูกกระดิ่สูดสูงจริงว่าวิ่งไปตกบอยว่าโดนกระดินมาสการครับอครับต้นครับสวัสดีครับเรื่องพระเทวทัตนะครับตอนที่ถูกทอนที่สูงมาตั้งครับนัน ถูกจริงแต่ว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเคยทําชั่วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีตัวอย่างครับแล้วคนที่ถูกธรณีสูบนั้นจะทํากับพระอาหารหันทรานั้นถูกธรณีสูบมันบาปมันสุดสุดแล้วเพราะพระหันเป็นคนสุดสุดเหนือมนุษย์ธรรมดาเหนือเทวดาเหนือพรหมอะไรหมดเราจะเห็นว่าพร ะ, พระเทวทัพเด่าทุสลาพระรพระุทธเจ้าหลายครั้ง พระสุปพุทธะเองประทุษสลายพระพุทธเจ้านันทามนกประทุษสลายพระบุญวนาเทรีจินดามนวิกาประทุษสลายพระพุทธเจ้าคือคนที่มันไม่มีพระพุทธเจ้าให้ประทุษสลายอนะไม่มีพระอรหันให้เธอประทุษสลายหรือมีก็ไม่มีใครประทุษสลายท่านมันจึงไม่มีตัวอย่างไอความคิดเดียววิ่งไปตกบ่อยนะมันก็เกินไปต้องนึกว่าท่านถูกหามมาเดินเองยังไม่ได้เลย เป็นเองอยู่ไม่ได้หลยก็หามาจากขยาศีษะนั่นอันนี้คือเนี่ยไเนี่ยพูดไปแล้วก็ขาดฐานข้อมูลมันวิ่งได้อย่างไงอ่ะเขาจะยกเพื่อเอาขาลงที่ริมสระแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์ก็ต้องช่วยฮะพอขาลงดินก็ดูดพรวดลงไปเลยแล้วทุกวันดินตัวนั้ยังมีอยู่นะของเรายังมีอยู่ คือคื อ, คอต้องต้องคัดแยกประวัติศาสตร์ด้วยนะฮนะาการลาเทศะบุคคลเวลาสถานที่เนี่ยต้องนึกด้วยครันนั้นผู้ตามกระแสะคนรุ่นใหม่ครนะแล้วก็อธิบายในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอุฒิภาวะไม่มีประสบการณ์เราต้องนึกนะว่าไม่มีใครไม่มีเวลาเนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าให้ใครจรัุรู้ไม่ให้ให้เคยให้ใครปรฐุสร้ายยิงไม่มีใครถูกธรณีสูบมันไม่ใช่ประชามติอะไรหรอกธรณีจริงๆครับ <og> ดิน <laughs> แผ่นดินใหญ่นี่มันส่งไว้ไม่ได้ครับนะคนช่วยช่วยที่เกิดทุกพิกะไพโอทุกกะไพ่ต่างหลายแผ่น ด, ดินไหวที่มันดูดพรวดลงไปทีเป็นพนะันๆน่ะใช่ครับเราไปศึกษาเบื้องหลังมาดูจะทํากรรมอะไรไว้ ค, คือคือมันมันเราไม่ได้ดูเบื้องเบื้องหลังเขาวครับเพราะเราไม่อยากซ้ําเติมคนที่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าเราศึกษานั้นคือเป็นกระบวนการทางของกรรมนะคล้ายๆกันเนี้ยคล้ายๆกับ พวกพระเจ้าวพาวกเจ้าสั ก, กยะทั้งหลายที่ถูกฆ่าเมื่อคราวนั้นพระเจ้าก็อธิบายฟังมันเป็นวิบากกรรมที่เป็นสะกกรรมคือเขาทำมาร่วมกันแล้วข่าสัตว์จำนวนหมาสาลในแม่น้ำเนี่ยตายลอยฟ้องหมดทุกประเภทเลยพอถึงจุดหนึ่งกรรมมันก็มา กามเถานหน้าที่เพราะฉะนั้นไอวิกามมาวิปากะวิสัยเนี่ยไอนี่เขาเรียกว่าเป็นอิทธิวิสยัยแล้วก็เป็นพุท ธ, ธวิสัยด้วยครับผมนะเป็นคนเป็นเป็นไปไปปฏิทุเสราให้คนขนานดะนั้น น, น <c oughs> เราไปยกยกตัวอย่างไม่มีตัวอย่างให้ดูหรอกเพราะรว่าทั้งหมดเป็นเรื่องกับพระอารหาันต์ทั้งนั้นครับขอบคุณเตือนใจกับสายที่สิบอ็ดครับสวัสดีครับฝ่ายการครับ ค่ะกลันมวัฒการค่ะหมวงพว่ะเทเกิดลีหรอกนะเจ้าค่ะและว้วก็สวัสดีท่านผู้จัดรายการค่ะวันนี้ได้หลวง่อนะคะจะสอบถามค่ะ เลยว่าไปวัดวัดเงินนะคาแล้วก็อ่าก็นำไปมาถวายเร็น้าประมาณตุ้มกว่าๆนะคะแต่ว่าที่มันนามาถวายนี่ก็คือว่าถ้าเมนสอบประโยคก้าได้นะคะแล้วก็ยงไปเลี้ยงไปหลองแล้วก็นาไปตื่มมาถวายค่ะถวายในโบสถ์เลยจะถามว่าดื่ผิดคะครับผมครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับไอศครีมนะมันเป็นที่จริงมันเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะแต่มันไปแช่น้าแข็งมันแข็งเลยนะเด็กเดอง ดูส่วนผสมขายนะโยมเก๋ไอสกรีมบางอย่างมันเป็นน้ํากับน้ําตาลเฉยๆเราต้อดูส่วนผสมครับที่คือมันไม่ใช่ไอสกรีมเราต้องผิดไอสกรีมอะไรเราบางทีก็กาแฟกับน้ําตาลนะมันก็ฉันได้แล้วแต่เพียงมก็มันก็ทําเป็นไอสกรีมครับคือคือเราต้องดูส่วนผสมนะครฮะก็พระฉันเนี่ยแสดงว่าท่านรู้ฉันได้ครับแล้วก็คนที่ทําเนี่ยเขารู้ว่าทํำยังไงที่พระฉันได้ครับ ก็เยไปติดไปนนเนี่ยครับสวัสดีครับรากานสวัสดีครับสวัสดีครับยัผมขอถามน้งโนะครับ้หลี่ิธีทำบ้านก่อนนะครับ ผมจะถามท่านเพื่อนก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยผมปะเรื่องสิัทน์ุแต่พอดี่ผมนี่ก็สงสยัยอีกอย่งแล้วก็เคยฟังของพ่อเล่าว่าสัปาหเนี่ยโดนักหรือเดาตีก็ไปตอนิโลสวาบัตอ น, นโมค า, า, านะท่นะานเแต่ปดาห์ฤกษ์ันไม่เห็นหมผมว่าเรักแต่ตอนี่พยามาเนี่ยทาทุกอย่างเล ย, เเยลเ ก, ลก็คือลังแคกุเจ้าหลายอย่างเลยก็ไม่ อยายามทไ่โดหลงนหนึงและอีกจุดหนึงกอผมจะถามว่ากลัไปฏิบสมุดปาทน่นนะฮะอวิชชาเนี่ยเป็นปันจจัยทำให้เกิดสั้งขารแล้วก่อนอวิชชานี่ผมเดาวน่าจะเป็นชาติใช่ครับผก็เลยบ อ, อาวิชชาคุด ก, ก็คือพระเจ้ามันยังไงนะห่ังพ่อเนี่ยเด <นะ S 1> ี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเอาไป ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพยายามานครับอ๋อพยามา น, น, ปนพป า, า, นะามานตอนพระจนน่ะมั น, ม, นมันไม่ใช่ไปประทุษร้ายเลยพระพุทธเจ้าหรอครับเอแล้วก็ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าครับคือว่าตอนนี้เป็นพระเจ้าพยามานไม่เคยไปประทุษร้ายเลยพระพุทธเจ้ า, <อ>จาก็ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าตอนพระจนพระจนพระโพธิสัตว์แล้ว ม, มันก็ช่วยเสริมบารมีครับนะช่วยเสริมบารมีให้พระองค์เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ ก็มีส่วนช่วยเยอะนะพยามาเนี่ยครับแล้วก็อะไรเรื่อปริศนาวิชาอ๋อไม่ใช่ใช่เดี๋ยวมันมันมันมันมีต่ออ๋อที่ที่ที่ที่ที่ยักษ์ปีภาษาดีบุตร่ะครับปีภาษาดีบุตรเนี่ยเขาเขาไม่ได้เจตนาได้ครับครับอ่าเขาไม่ได้เจตนาไายเขาต้องการจะทดลองเพราะฉะนั้นปฐุสจิตมันไม่มีมือนไม้เหมือนกับพวกนู้นเหมือนกับเทวดาคือจิตตัวปฐุสไรเนี่ยคนนี้เขาเรียกเจตนาเนี่ยเจตนามันเป็นกรรมเมื่อเจตนาไม่แรงเนี่ย ความพยายามก็ไม่มากอืใช่ไหมแล้วไม่ได้เจตนาจะฆ่ า, ายตายเจตนาทดลองดูว่าท่านจะโกรธหรือไม่โกรธเป็นการทดลองเป็นการ<า>ทดลองครับผมครับก็ที่สามเรื่องอวิชชาที่บอกออว่าอวิชชานั้นมันมันเป็นอัญญะมัญญะปัจจัยกับภาวะปัญหามันเหมือนกะไ ก, ก่กะไข่นะโยมไ ก, ก่กะไข่อ่ะถามว่าอะไรเกิดก่อนละ่ะมันก็ถ้าพูดว่าไ ก, ก่กาลังไข่แล้วก็ฟองไข่หล่นมาบอกว่าอันนี้ ก็ไก่เกิดก่อนไข่แต่ถ้าลูกไก่มันออกมาจากฟองก็แสดงว่าไก่เกิดก่อนไก่เกิดวิชากับภวะตัณหาเนี่ยเขาเป็นอัญญบัญญัปัจจัยกกันใครเกิดก่อนเกิดหลังก็ได้นะครับถามว่าอวิชามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีภาวะตัณหาถามภวะตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอวิชาอมะคือชาติเนี่ยมันเป็นผลนะฮะชาติมันเป็นวิบากครับไปครับเขาเรียกว่าสรุปและกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมฮะตัวชาติเป็นวิบาก แต่ถามว่าชาติเนี่ยเป็นเหตุเกิดอวิชชาได้ไหมเป็นเหตุเพิ่มนี่ยได้ครับเพิ่มวิชานี่ได้แต่ว่าเป็นเหตุได้เกิดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ครับนะเพราะว่าเขาเองเป็นผลครับแล้วเข้าไปในใจเขาก็มีวิชาอยู่ก่อนแล้วจากนั้นที่เขาเกิดมาแล้ววิชาก็ยังอยู่กับเขาแม่แหละเพราะงั้นเขาจะเพิ่มอวิชชาให้เลวร้ยรายเช่นว่าไปคบคนชั่วอย่างองค์ปริมาณไปคบแกคนพาในกลายหนาโจรไปเนี่ยแสดงวิชามันเพิ่มครับนะ แต่ทีจริงนี่ยมันเพิ่มจากที่เคยมีอยู่แล้วพอเจอพระพุทธเจ้าเห็นว่าพอพอได้ปัญญามันก็เกิดอวิชามก็ลดอแล้วก็บรรลุมรผลไปครับผมนะครับงงอวิชามาจายังเป็นวิบากนะครับเป็นวิบาก ค, ครัเคริ่มได้แต่ว่าเป็นเป็นเหตุจริงๆไม่ได้หรอกจับจัดเจเลยครับคมแล้ก็ถ้า เ, เป็นเหตุจริงๆทําชาติมาจากอะไรทีนี้ก็ยุ่งเลยมาจากอวิชามันหายใจเลยครับขอบคุณครับผมทายที่สิบสามครับสวัสดีครับรายการครับครับขอบคุณครับ สอบถามได้เลยครับครับาสตรนาการอัญชุนนะครั บ, บรรความคือผมไปจะถามว่าอย่างเมื่อเราเห็นงานแลองฟุตบาลของในหลองครับผ่นานพนมลานนะครับคือเราก็เห็นเอ่อพนมั่างปะต่างชาติมาเล่นทลายพระพรในหลองของเรานะครับคอเอยากจะทรา ว, ว่าอย่างสวนรนการที่มีผู้ติดต่อกับนตรางดาวี้ฮะแล้ว ในเรือมวยก็มีประมุขต่างชาติเป็ประเซ็นต์ไม่เ็นรนี่นบนเกาะลมนมีเขาสก๊าตเวอลาที่เป็นอีกเอ่อปรมุ เทวดาชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีมีนิมยนในนมนุษย์บ้านะครับผมอ๋อครับท่านเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับจับประเด็นไม่ค่อยได้โยงใครครับหมายถึงว่าในสวรรค์เนี่ยเขาสกุลแมีชาตินหครับแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละอย่างมี่ฮะเาก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับผมแต่ว่าองค์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นองค์คือคือท้ากะเทวราชท่านเพิ่งเกิดเพียงเท่าไหร่อ่าถ้านับวันก็เพียงยี่กวันนั่นเอง ด, ดาวสวรรค์เชนดาวดึงเป็นยังหนุ่มมากตอนนี้ถทัศกาศเตระดางอีกนานนะฮะองเดิมนี่แหละองมาข้ามาน์นี่แหละอย่างอีกนา น, นะ คีอไปลากันอาจจะสงสัยว่ามันมีเอ๋อก็ใช่มันเป็นใครอ๋อไม่ใช่คือสวรรค์เนี่ยเขาเป็นระดับเป็นชั้นไปเป็นชั้นนะฮะแต่ชั้นดาวดึงก็มีทศกะเทวราชอชั้นยามก็มีท้สุยานชั้นดุสิตก็มีทาดุสิตสันดุสิตอะไรต่อไเนี่ยนิมานอะไรต่อไรส่วนมากมันเป็นชื่อสวรรค์ก็เมือนกับกษัตริย์แต่ทีนี้กษัตริย์เนี่ยมันไปเที่ยวสวรรค์นังไม่ได้กษัตริย์เป็นประเทศเล็กๆสวรรค์นี่มป็นอุมาหาศาล แสนพื้นที่เป็นโลกฮะฮะเป็นสุกติเป็นเป็นโลกโลกสวรรค์ครับครับก็คุณที่คุณอใจารย์ครับทครับสมมติว่าแฟนรายการที่เป็นครูบาอาจารย์นี่จะขอหนังสือพุทธพิธีในการปฏิบัติศาสนานี้ไปที่วัดพรวรมนั้นไหมครับารได้ฮะครับขอมาก็ได้ขอไปไปที่วัดพวรก็ได้ครับผม เพราะว่าเราก็พิมพ์เจตนาจะเผยแพร่โดยเฉพาะจากกองทุนเนี่ยมาพิมพ์ด้วยกองทุน 2,500 เล่มตกลงครั บ, รบแล้วก็ของศูนย์ก็ 2,100 เล่มรวมแล้วก็ 5,000 เล่มนะฮะเจตนาจะเผยแพร่กับคนกลุ่มนี้ ถ้าใครต้องการก็ได้อาดุก่อนบินดีไปรัตนานุภาพนะครับผมครับก็วันนี้ในการสิงห์ทําจับมหาลัยสิบปทุมนะครับเวลาหมดลงนั้นนะครับขอกลาบขอภพยหลายสายนะครับที่โทรเข้ามาแล้วโทรไม่ติดนะครับวันนี้สายแน่นมากเลยครับแล้วแฟนรายการโทรมาเข้าตลอดเวลาเลยครับในกาสิงห์ท่ามาับมหาลัยสิบปทุมขอกลับดาท่านผู้รับฟังรายการก่อนครับขอบุ่ณเจริญใจธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับขอกลาบสวัสดีครับ